พากันตั้งใจฟังสักหน่อยให้พากันใช้ดูยพินิษพิจารณาด้วยปัญญาให้เหตุผลของการบวชนี่มันมีคุณประโยชน์มากน้อยเพียงใด เนี่ยพิจารณาให้มันเห็นแจ้งประจักษ์โดยตนเองมันถึงเกิดปีติมันจึงมั่นคงการบวชให้นึกรูว่าการบวชนี่มันยากขนาดไหนมันต้องอาศัยบุญวัศาสนาบารมีอย่างคนในประเทศไทยเรานะ่ะ มีอยห้าสิบกว่าล้านแต่ผู้ที่เป็นนักบวชมีเพียงแค่แสนกว่ารูปเท่านั้นเองการสำรวจในประเทศไทยหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นก็แทบจะไม่ได้ซ้ำเลยไอ้ผู้เป็นนักบวชนี่นะนั่นแหละเพราะฉะนั้น ใครที่ว่าการบวชแล้วมันก็สบายดีเพราะฉะนั้นคนเรื่องอยากบวชบวชมาแล้วมันสบายดีไม่ต้องทำงานอะไรไม่ต้องทำการค้าการคายทำนาทำสวนอะไรก็อยู่สบายได้ <c oughs> ทีนี้ลองอยากให้ผู้ที่พูดเช่นนั้นนะมาบวชลองรู้บ้างว่า มันจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยแบบพูดเราเอาโดยที่ไม่รู้เหตุผล <c oughs> โดยที่ไม่รู้เหตุผลของการบวชท่องแท้จึงพูดไปผิดผิดทุกๆกไป ความจริงงานอันใดในโลกอันนี้มันจะยุ่งยากไปยิ่งกวังานบวชไม่มีเพราะอะไรล่ะกระเพาะงานบวชมันเป็นงานจำกัดความประพฤติให้อยู่ในขอบเขต การจำกัดความบกพรติเกี่ยวกับเรื่องกรรมคุณนี่สิมันสำคัญนะผู้ที่เป็นนักบวชหากว่าห่วงกรรมคุณอยู่นี่มันจะบวชไม่ได้เลยส่วนการงานของคนทั่วๆไป ซึ่งไม่ใช่ละปวดนั้นถึงแม้จะเคร่งคัดอย่างไรมันก็ไม่ได้เคร่งคัดเกี่ยวกับข้ามเพือเพลในกรรมคุณเพราะฉะนั้นจนเป็นเหตุให้มีกรรมมีเวรกันเพราะเกี่ยวกับกรรมคุณพระพุทธเจ้านำอดีตเรื่องของพระองค์ กับพระสีอริยเมตไตรมาแสดงให้คนฟังว่าตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังนู่นพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นพระราชาปกครองอยู่เมืองพระราณศีวันนี้ก็มีช้างประจำพระองค์อยู่เชือกนึงแล้วก็มีควนช้าง ช้างนั้นกลับชาติมาสุดท้ายเป็นพระมหากัส ป, ปะควรช้างนั้นเป็นพระศรีอริยะเมตไตรวันหนึ่งพระราชาเสด็จเรียกพนครก็จึงเรียกควรช้างมาถามว่าช้างนั้นท่านได้ฝึกดีแล้วหรือ คนช้างก็บอกว่าถ้าพราะองค์ฝึกดีแล้วไม่เป็นไรนีพราชาก็เสด็จขึ้นนั่งมนคอช้างเสด็จเรียพระนครไปพอดีไปไปล้วไปเห็นช้างตัวเมียเข้า ช้างพัทีนั่งลืมตัวร้องแปแปลนวิ่งไปหาช้างตัวเมียอันเป็นเหตุให้พระราชาตกลงจากหลังช้างมเมื่อกลับถึงพระนครแล้วพระราชาจึงได้ถามควนช้างว่าไหนที่ท่านว่าช้างนี้ฝึกดีแล้ว ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ควรช้างก็กราบทูลว่าอันอย่างอื่นนั้นข้าพราะองค์ฝึกดีหมดไม่มีความบุกร้องเลยแต่เรื่องไอ้กรรมคุณนี่ข้าพราะองค์ฝึกไม่ได้ถ้าพราะองค์ไม่เชื่อ ข้าพราะองค์จะทําให้ดูก็เอาเหล็กแดงท่อนใหญ่ๆนี้มาเผาไฟจนแดงโล่แล้ววันนี้ก็บังคับให้ช้างนั้นจับท่อนเหล็กแดงนั้นช้างก็จับท่อนเหล็กแดงนั้นเรียกว่าเอางวงจับท่อนเหล็กแดงนั้นยกขึ้นไฟมันก็ไหม้เอางวง ช้างพอที่นั่งนั้นช้างพอที่นั่งก็ทนพิษบาดเจ็บไม่ได้ก็เลยตายคำเวีนั้นยึงตามสนองมาพระพุทธเจ้าของเราทรงพยากรว่าพระมหากัสปะนั้นได้แก่ช้างอย่างที่ว่ามาแน่เนี่นย เมื่อกรรมสุดท้ายท่านก็ได้มาเป็นพระมหากรส ป, ปะสำเร็จอรหันเมื่อท่านานิพพานแลาวก็เข้าไปนิพพานอยู่ที่ภูเขาสามรูปในประเทศอินเดียเทวะ น, นี้ก็มีเทวดาเป็นผู้จัดการเรื่องศพของท่านเบวั น, นี้ก็มีหุ่นยนต์ เทวดานิยมิตรผุ่นยนหมุนรอบศพบยูงนั้นป้องกันอันตรายป้องกันไม่ให้มีใครมาเอาหีบศพนั้นไปส่วนควนช้างเมื่อท่องเที่ยวมาในสงสารในอนาคตต่อไปนี้ก็จะได้ตัดสรลุเป็นพระพุทธเจ้าึ้นในโลกทรงพนามว่า พระศีอริยะเมตไตรบรมคู่เมื่อพระองค์จะเสด็จเมื่อต่อไปพระองค์จะได้เอาศพของพระมหากัสป่านี่ไปเผาบนฝ่าระหัดของพระสีอริยเมตไตร เป็นการตอบแทนกันเรียกว่าคำสนองกรมนั่นแหละแต่ครั้งนั้นพระศรีอรยิยไมตตาเนี่ยบังคับให้ช้างจับเหล็กแดงคราวนี้กรมนั้นตามสนองเพราะว่าพระ พ, ระพระทุทธเจ้าทรงรู้ดีกรรมเวรพระองค์มีจำเป็นต้องได้เอาศพระมหากัสปะ มาเผาใส่ฝาพระหัตนี้แต่ด้วยพุท ธ, ธานุภาพไฟคงไม่ไหม้หรอกเผาแสดงถึงกรรมเวรเฉยๆนี่แหละอันนี้แสดงให้เห็นว่ากามาคุณนี่น่ะมันเป็นสิ่งที่บุคคลละได้ยากจริงๆ เทียบได้กับท้างพัทินั่งของพระราชาอย่างว่านั่นแหละการฝึกช้างพัทินั่งนะ่ฝึกได้ทุกอย่างเลยแต่ฝึกไม่ให้มันลู้ไปตามกรรมคุณนี่ฝึกไม่ได้เลยอย่างนี้เลเพราะฉะนั้น น, ะนักบวชเราบวกเข้ามาแล้ว ฝึกต้นไม่ดีฝึกตนไม่เข้มแข็งก็เอาชนะกามมากิเลตันหาไม่ได้ก็มักจะสึกหาลาเพศออกไปนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชเข้ามาจึงชื่อว่าไม่ใช่การบวชไม่ใช่ว่าจะมีความสุขอย่างที่ คนบางคนบางพวกวิจารณ์กันผู้ที่บวชเข้ามาแล้วไม่ทำความเพียรละกิเลสให้เบาวางไปยิ่งเป็นทุกข์ร้ายยิ่งเบือดร้อนมากอย่างนี้แหละก็ะจนอยู่ไม่ได้อเอาผู้บวชเข้ามาแล้วมีศรัทธาแรงกล้ามั่นคง เลื่อมใสมั่นในพุทธศาสนาในการประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องทำความเพียรเด็ดเดี่ยวไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เห็นแก่รับแกนอนไม่เห็นแก่อยู่แกกินต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันสู้กับกรรมกิเลสตัณหาอดนอนทอนอาหาร สำรวมอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้น อ, อย่างนี้มันจึงประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปได้จึงเป็นสมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญ ของชาวโลกได้ชาวโลกพูดสแสวงหาบุญผู้ต้องการบุญก็นึกถึงแต่พระสงฆ์สาวกของพระภุมิภาคเจ้าเพราะถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ผูกพันอยู่ในกรรมคุณไม่มัวมองอยู่ในกรรมคุณ ไอคนหมู่อื่นนั้นล้วนแต่ผูกพันอยู่ในก ร, รมคุณทังนั้นไม่ผ่องใสเขาถือกันว่าผู้มีจิตใจผูกพันอยู่ในก ร, รมคุณนั่นเป็นคนหมู่มองไม่เป็นคนสะอาดถือกันว่าท่านผู้ใดภาคกายภาคใจ ห่างออกจากกรรมคุณได้ท่านผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สะอาดเป็นผู้สะอาดหมดจดด้วยดีแต่ถ้าระยังไม่ขาดก็เวลาเผลอสติมา จิตใจก็วิตกกังวลไปในรเรื่องกามคุณกท็ทำจิตให้เศร้าหมองท่านภุรละกามกิเลสตัณหาได้โดยเด็ดขาดท่านภูนันชื่อว่าเป็นผู้สะอาดหมดจดด้วยดีสมควรจะเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกผู้มีศรัทธาผู้ต้องการบุญกุศลได้ อย่างนี้แหละในการที่ชาวพุทธเราทำบุญกุศลจึงแสวงหาตั้งแต่พระสงฆ์ไม่แสวงหาผู้อื่นแสวงหาพระสงฆ์ก็แสวงหาพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยตั้งอยู่ในธรรมวินัยด้วยดี ผู้มีปัญญาก็รู้จักเลือกพระสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัยก็ไม่ศรัทธาเลื่อมใสแต่บางคนก็ไม่เลือกว่าแต่เป็นพระโกนผมโกนคิ้วหนึ่งนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพระ ถือว่าทำบุญก็ได้บุญทั้งนั้นแหละบางคนบางพวกก็ไม่เลือกทำไปเรื่อยอันนี้มันเป็นสิทธิของแต่และบุคคลก็แล้วแต่เราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าโดยเหตุผลแล้วมันก็ต้องเลือกเหมือนอย่างบุคคล ทำนาทําทสวนอย่างเนี้มันก็ต้องเลือกที่ดินถ้าที่ดินไม่ดีไปทําลงไปมันก็ไม่ได้ผลคุ้มค่าลงทุนไปก็ขาดทุนนี่อย่างนี้ถ้าดินดีเหมาะสมกับพืชพันธุ์นั้นปลูกครองอย่านี่มันก็งอกงามเจริญสี ด, ดอกออกผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย พระสงฆ์สาวกของพระผูมิภาคเจ้าพระองค์เพียงได้ทรงสรรเสริญว่าท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเปรียบอุปมาเหมือนอย่างเนื้อนาที่ชาววานชาวเมืองทำกันแต่อันนั้นเรียกว่าเอาเข้าวไปปลูกลงในดินแต่อันนี้เอาเข้าวเอาอาหารปัจจัยสีไไปถวายทานแด่พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีถือว่าเป็นหนา้าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกผู้ต้องการบุญผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในบุญกุศลว่าจากอำนวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทำบำเพ็ญก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้น พระสงฆ์ท่านผู้ใดเป็นผู้มีเหตุผลอยู่ในตนว่าเรานี่คงเป็นคนมีบุญผู้หนึ่งได้ทำมาแต่ชาติก่อนมากพอสมควรเรียกว่าพิจารณาเห็นโทษแทงกรรมคุณมาบ้างแต่ชาติก่อนหันหลังเมื่อเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเข้าในชาตินี้ เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วก็เกิดศรัทธาต่อการบวชต่อการประพฤติพรหมจรรย์นนในพุทธศาสนานี้อย่างแรงกล้าถึงกับไดส้สละบ้านเรือนพ่อแม่ลุงป้านาอาเข้ามาขอบรรพระเจ้าประสมบทในวัดวาศาสนานี้ เมื่อนึกได้ว่าทนเป็นผู้มีบุญกุศลได้ทำมาอย่างนี้แล้วบุญกุศลส่งให้เรามีชีวิตสูงขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่ก่อนจะท่องเที่ยว ม, มาในสงสารเข้าใจว่าคงผูกพันอยู่ในกรรมกุศลทั้งทางกายและทางจิตใจมา เมื่อได้มาเมื่อมาบางชาติได้ฟังธรรมได้รักษาศีลอุโบสถเข้าไปก็ไม่เห็นโทษแห่งกรรมคุณทริจรนาเห็นโทษแห่งกรรมคุณอยู่บ่อยๆนั่นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาเมื่อเกิดมาในชาตินี้บุญกุศลหรือความรู้ความเห็น โทษแห่งกรรมคุณนั้นจึงมาปรากฏในจิตใจจึงมาโดนใจให้อยากบวชในพุทธศาสนาบวชก็ต้องการฝึกตนจริงเพราะฉะนั้นจึงแสวงหาพระที่ประพฤติตนฝึกตนจริงมาเป็นอุปชาอาจารย์ ผู้มีอินทรีย์แก่กล้ายอมเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าพอมีศรัทธาแล้วก็อยกกระบวกไปเลยโดยไม่เลือกไม่เฟ้นอะไรอย่างนี้ไอคนมีบุญมากนั่นเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญารู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอย่างนี้คนมีบุญน้อย เลือกไม่เป็นเพราะปัญญาไม่มีเพียงแต่เชื่อตามๆกันไปอย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อผู้ใดรู้ตัวว่าตนได้มาบวชในสถานที่เป็นสถานที่ฝึกผนตนเป็นสถานที่ทำกิเลสตัณหาให้น้อยเบาวางไปได้จริงๆอย่างนี้แล้วก็ ตั้งใจทำความเพียนลงไปอย่าประมาทถ้าประมาทถอยหลังเข้าครองมันก็น่าเสียดายบุญบา ร, รมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติแล้วก็จะมามัวเมาประมาทตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา ทิ้งบุญเก่าบารมีเก่าที่ตนสะสมมามากนั่นไปเสียถอนตนให้ตกต่ำลงไปตกไปเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกต่อไปอย่างนี้นะไม่สมควรเลยสมควรที่เราจะต้องทำความภาคเพียรพยายามทำใจให้สงบระงับ เพราะการทำใจพุ่งสั้นเลื่อนลอยเนี่ยมันทำกันมามากคขนาด น, นับชาติไม่ทวนแล้วบุคคลมาตกเป็นทาตแห่งความคิดความอยากความปรารถนาอันนี้นะมันนับชาติไม่ทวนแล้วคิดทบทวนดูให้ดีทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้ฝึกใจให้สงบนั่นเองจึงต้องเป็นทาตแห่งกันหาอย่างว่านั่นแหละ ตัณหานี่มันให้วิตกวิจารให้เกิดความอยากได้ในสิ่งที่มันชอบใจอยากได้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่สวยไม่งามแต่สำคัญผิดคิดว่าเที่ยงยังยืนคิดว่าสวยว่างามมันมีอวิชชาเป็นคู่ไปด้วยไม่ใช่จะมีแต่ตัณหาอย่างเดียว ดังนั้น่ะใครพาการทบทวนดูให้ดีเ้วตกเป็นธาตุแทงความคิดความนึกความอยากความปรารถนานี่มานับธาต์ไปทวนแล้วไปตกนรกหมกไหมกบเพราะถือมั่นในความคิดทางที่ผิดนั่นเองถ้าหากว่าผู้ใดไม่ตื่นตัว ยอมตนเป็นธาตุแห่งความคิดในทางที่ผิดอย่างว่านั้นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สักทีเกิดชาติใดพบใจก็จะไปผูกพันอยู่แต่ในกรรมคุณเมถุนสังโยชนั่นแหละแล้วก็ไปทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างคนผู้หลงผู้เมาไปในกรรมคุณมาก เกินประมาณนี้มักจะทำชั่วนั่นแหละมากกว่าทำดีพ ก, กิเลสตนาทั้งหลายมันปัดต้องการแต่ให้คนทำกรรมชั่วมากกว่าทำกรรมดีขอให้เข้าใจอย่างนี้บุญกุศลบ่นี่ความดีต่างๆนั้นมีแต่สนับสนุน ให้เห็นโทษแห่งกรรมคุณให้ยินดีในความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจบุญกุศลมีแต่สนับสนุนให้สงบทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุราเมลยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีน ทำให้สงบจากบาปทางกายอย่างนี้ชอบสงบทางวาจาอันวาจาก็ชอบแต่พูดคำจริงคำเท็จไม่พูดพูดคำจริงก็ต้องเลือกบุคคลเลือกการเลือกเวลาที่ควรพูดก็จริงค่อยพูดพูดคำจริงบางอย่าง ถ้าพูดไปมันไปกระทบกับทั้งกับกระทบกระทั้งกับผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็มีอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้ายัางสอนให้เลือกพูดกับบุคคลที่ควรพูดเมื่อเราพูดความจริงอย่างนี้ออกไปผู้ฟังนี่จะได้ความรู้ความฉลาดจะชื่นสมยินดีในเรื่องที่จริงเรื่องที่ดีนั้น พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วคือจึงค่อยพูดออกไปอพูดให้ถูกกับกาลเทศะเห่นการนี้เวลานี้นะถ้าพูดเรื่องอย่างนี้ออกไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษอย่างนี้ก็งดไม่พูดถึงจะเป็นความจริงก็ตามหมายคำว่ามาื่พูดออกพูดออกไปแล้วไม่มีคนยินดีฟัง ไม่มีคนยินดีปฏิบัติตามเช่นอย่างไปพูดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกวิจฉาทิฏฐิฟังอย่างนี้นะโดยที่เขาไม่ได้นิมนต์เชื้อเชิญอะไรเลยจูจ่ๆแล้วก็สงสารเขาอยากจะให้เขาละความเห็นผิดมาทำความเห็นถูกให้เกิดขึ้นในต้นอย่าง แล้วก็ไปพูดโน้มน้าวจิตใจเขาในเมื่อเขาไม่พอใจเขาไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าาจะนำเขาให้พ้นทุกข์ได้พูดยังไงเขาก็ไม่ยินดีตามมีแต่เขาเกลียดชังอย่างนี้เราจึงเรียกว่าการพูดนะต้องเลือกบุคคลที่คนพูดยกตัวอย่างให้ฟังแม่คนอื่นๆก็ตามแหละ ทุกคนย่อมสันนิษฐานได้กัคนวันนี้เป็นคนมีความคิดเห็นอย่างไรมีนิสัยอย่างไรเราคนพูดเหลือเรื่องนี้ถ้าพูดออกไปแล้วเขาจะดีใจไหมหรือเสียใจนี่เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะพูดจะต้องพิจารณาเ น, นีเมื่อพี่นาเห็นว่าควรพูดพูดไปแล้วเขาจะดีใจ คงจะไม่มีเรื่องเลือดเนื้อร้อนใจอะไรเขาก็มีศรัทธาอย่างพูดธรรมะธรรมงอย่างนี้นะก็จึงค่อยพูดออกไปเมื่อพูดไปก็มีประโยชน์อย่างนั้นนะโดยที่ไม่ได้พิจารณาเลยอย่างนี้พอเห็นว่าตนมีความรู้ดีในทางธรรมอย่างนี้ก็อยากให้เขาดีรีบไปพูดอะไรต่ออะไรออกไป เขาไม่ยินดีฟังดีไม่ดีเขาตอบโต้มาตนก็เสียใจอย่างนี้เราเรียกว่าการพูดนี่นะถ้าพูดให้ถูกกาลเทศะพูดให้เหมาะสมกับบุคคลก่อนพูดก็พิจาราก่อนเรื่องที่พูดนี่มันมีประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นจริงอย่างนี้ก็จึงค่อยพูดออกไป ถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์แล้วของงดไม่พูดนี่ท่านยังเรียกว่าสัมมาวาจาแปลว่าเจรจาชอบก็จัดเข้าในองค์มรรคแปดประการนั้นข้อหนึ่งเรียกว่าเป็นทางพ้นทุกข์อีกเส้นหนึ่งเป็นอย่างนี้สัมมากรรมโตทำการงานชอบ เว้นจากกายทุจริตสามหรือสี่ก็ได้ต้องเอาการดื่มเหล้ามาบวกเข้าใส่อีกถ้าแม่งงานมันขาดไปเมื่อผู้ใดมาเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเว้นจากการดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีน ของเสพติดในโทษต่างๆเหล่านี้ได้แล้วทำการงานอะไรมันก็เป็นการงานที่สุดจริตไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นลารฆ่าสัตว์มันมีหลายแบบบางคนก็ไปซื้อเอาสัตว์เป็นมาค่าปรุงเป็นอาหารบางคนก็ไปแสวงหาสัตว์อยู่ตามน้ำบ้างบนบกบ้าง อะไรโมนี่แล้วมาฆ่าทำอาหารกินบ้างขายให้คนอื่นเขาไปฆ่าทำอาหารกินบ้างบางคนก็ไปลักเอาสัตว์เลี้ยงของคนอื่นเขามาฆ่าแล้วชำแหละเนื้อขายเลี้ยงครอบครัวนี่การฆ่าสัตว์นี่มันมีหลายประเภท เมื่อเราเว้นเพียงว่าตั้งเจตนาวิรัตแล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่เท่านี้ก็ครอบหมดเลยบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตในโลกนี่จะนับแต่ตัวเล็กๆที่มองเห็นด้วยตาขึ้นไปจนถึงใหญ่ที่ฉุดก็ให้พึ่งพากันพิจารณาเหตุผลพุทธวญญัติต่างๆหมู่เนี้ย แม้ผู้ที่เป็นนักบวดก็ยังไม่ชำนิชำนาญในการพูดการจาแล้วก็ยังไม่เห็นโทษแท่งความประพฤติ ท, ทางกายวาจาดังกล่าวมานี้ว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรยังไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาเขาตนตส้ศึกออกไปแล้วมันก็ไปทำของเก่านั่นแหละ เคยทำผิดมาอย่างไรก็ทำอยู่อย่างนั้นมีอยู่เยอะแยะผู้บวชเข้ามาแล้วศึกไปไม่สามารถจะรักษาความบริสุทธิ์ของตนไว้ได้แม้ที่ยังบวชอยู่นี่จิตใจก็ยังหนาแน่นไปด้วยความโลภโ ก, กรธหงความอิจฉาพยาบาทก็มีเมื่อใครทำอะไรไม่ ถกใจตัวเองก็นึกโกรธสุนเซียวหาทางกระทบกระทั่งกับคนนั้นหาทางการรจัดให้พ้นจากสายตาไปอะไรอย่างนี้นะนี่ให้ทบทวนดูจิตใจของนักบวชผู้เราเป็นนักบวชว่ามันมีไหมกิเลสอย่างนีนะ้มีอยู่ในใจไหมฮะ ทบทวนดูให้ดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะไปสอนตั้งแต่ชาวบ้านให้เขาสำรวมกายวาจาเราผู้เป็นนักบวดนี่ก็ต้องสำรวมกายวาจาของตนให้ดีดียิ่งไปกว่าชาวบ้านและปรับปรุงความคิดความเห็นภายในจิตใจ ให้มันตรงตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่พระ อ, องค์เจ้าตรัสว่าอะหิงซ่าปรามาธรรมาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่งหมายความว่าผู้มีจิตใจห่างจากโทสะพยาบาทหมายความวากิเลสเหล่านี้ไม่มีอยู่ในใจนะ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอย่างสูงพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอย่างนี้นะดังนั้นเลยให้พากันแห่งดูจิตใจของตนว่าตนนั้นจะมีคุณธรรมมันสูงเป็นเครื่องอยู่หรือไม่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องพิจารณาตัวเอง คนอื่นนั้นจะไปพิจารณาให้คนอื่นไม่ได้ตนเองเนะี่ะทุกอย่างนะจะต้องพิจารณาเห็นด้วยตนเองแม้ความดีก็เหมือนกันนะตนมีคุณความดีอยู่ในกายในใจในี่อย่างไรบ้างก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องรู้พิจารณารู้เรื่องของตัวเองไม่ว่าครือขัดไม่ว่านักบวช เมื่อรู้ว่าตนยังมีกิเลสอันชั่วร้ายอยู่ในใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็เพียนละมันออกไปไม่ใช่ว่าดูเฉยๆต้องเพียนละมันเมื่อรู้ว่าตนมีคุณทําความดีอยู่ในใจอย่างนี้อย่างนี้ก็เพียนพยายามรักษาความดีอันนั้นไว้ อย่าให้เสื่อมอันนี้แหละข้อวัดปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราลงมือทำด้วยตนเองไม่ได้ทรงสอนให้อ้อนวอนอขอร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยตนให้มีความสุขความเจริญ ไม่มีพระองค์ไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นใครๆก็ช่วยใครไม่ได้เพราะกิเลสมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเหมือนอย่างรูปร่างกายถ้ากิเลสมีตัวเหมือนอย่างตัวสัตว์สาวาสิ่งต่างๆอนี้มันก็หยิบออกไปได้เลยอะอย่างนั้น มันก็คงมียาระ ง, งับทำลายสัตว์กิเลสเหล่านั้นให้ย่อยยับไปก็ไม่ลำบากอะไรน่ะแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนี้นนความโลภโกรธหลงมันเป็นนามธรรมาจิตเป็นผู้คิดผูุ้งแต่งขึ้นมาอย่างงี้ก็ความคิดมันจะมีรูปร่างมาจากไหนละ่ะ ความรู้สึกก็เหมือนกันน่ะจะมีรูปร่างมาจากไหนอะอย่างนี้เน่ยเราต้องเพ่งพิจารณาทำใจสงบลงไปแล้วเพ่งพิจารณามันถึงเห็นได้รู้ได้ว่านี่คือความโลภนี่คือความโกรธนี่คือความหลงนี่คือมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอะไรถ้าทำใจสงบลงไปแล้ว มันสามารถมองเห็นลักษณะอาการของกิเลสเหล่านี้ด้วยปัญญาได้จริงๆถ้าไม่เห็นลักษณะอาการของกิเลสเสียก่อนมันก็ละ ก, กิเลสไม่ได้เป็นไนเหมือนอย่างหมอรักษาโรคภัยในกายของคนเนี่ยถ้าหมอกรวดไม่พบโรคภัยในกายของผู้นั้นแล้ว หมอก็ไม่สามารถจะวางยาได้ไวางไปกลัวมันจะผิดที่นี่การที่หมอวางยาได้นั้นเพราะว่าหมอตรวจดูแลรู้ได้ว่าคนวนนี้เป็นโรคชนิดนีจะต้องให้ยาอย่างนั้นมันถึงจะระงับได้อย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่อันนี้ตัวเองเป็นหมอรักษาตัวเองเอาเอง ให้เหมือนอย่างหมอรักษาโรคทางกายอืมผู้อื่นนั้นเป็นแด่เพียงผู้แนะอุบายให้เท่านั้นเองเมื่อผู้ฟังจําอุบายนั้นได้แล้วก็เอาไปสอนจิตของตนให้ละกิเลสด้านนั้นเมื่อกิเลสอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะต้องน้องอธรรมะอันนั้นเข้าไป ในจิตใจของตนเมื่อธรรมะเหล่านั้นซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้วมันก็กำจัดกิเลสอย่างนั้นออกไป อ, อย่างนี้นะเช่นอย่างเมื่อโทสะพยาบาทมีอยู่ในใจอ้าวนอเอาเมตตาเข้าไปเจริญเมตตาให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้มันก็ทำให้โทสะพยาบาทนั้น เบาวางออกไปจากกิดใจ ย, ยกตัวอย่างให้ฟัง เ, เรื่องมาหน้าทิททิเช่นนี้ตนเนี่ยเป็นผู้มีมาน่าจัดชักจะไม่ยอมให้ใครว่ากล่าวตักเตือนได้เลยนอกจากครูบาอาจารย์อย่างนี้ว่าจะโต้เถียงเลยถ้าใครมาแนะนำตักเตือนเข้าไป นั่นแหละลักษณะของมานะทิฏฐิถ้าผู้เทศไม่สั่งสมมานะทิฏฐิไว้ในใจแม่ใครจะสอนก็ให้สอนได้เลยใครจะตักเตือนก็ให้ตักเตือนได้ถ้าตนผิดตนก็จะสังวรระวังต่อไปถ้าตนไม่ผิดมันก็ไม่เสียหายอะไร เขาอาจจะเข้าใจผิดในเราก็ได้ก็อาโหาสิกรรมให้กันไปนี่แหละอุบายที่จะลดละทิฐิมานะออกจากจิตใจนะเราต้องยอมยอมลงทุกอย่างมาคาว่าเมื่อมองเห็นธาตุสี่ขันห้า 5, เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ถัวทนเราเขาแล้ว ไม่ทราบาจะถือไว้ทำไมวะนี่ถือสําคัญว่าตัวดีตัววิเศษอะไรอย่างนี้มันไม่ถูกซะแล้วเชื่อว่ายังไม่เห็นไตรลักษ์แล้วถ้าไปถือมั่นอยู่นั้นนะผู้เห็นไตรลักษ์ด้วยปัญญาจริงๆจะไม่สําคัญตนเลยว่าตนดีวิเศษหรือตนเลวซามอะไรไม่สําคัญนะไม่มั่นหมายเลย อย่าง น, นี้เอาสาคัญยังไงท่านไม่ไม่ไม่สำคัญอะไรไม่ลงไหลไปตามสัญญากำหนดรู้เอากำหนดรู้ด้วยความรู้รู้สรรพสิ่งทั้งพวงที่บังเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปเนี่ยมันขึ้นเชื่อว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นที่จะไม่แปรปวนแตกดับไปไม่มีในโลกมีเมื่อเมื่อเมื่อสิ่งใดมันเคยขึ้นแล้วถึงการเวลามันแล้วมันก็แปรผันไปในที่สุดก็แตกดับลงทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีหมู่เนี้ยมันเพ่งวิจารณาเห็นแจีมแจ้งด้วยปัญญาอยู่เนี่ยอัน ทิทฐิมาณะที่มันเคยกระด้างกระเดื่องมาแต่ก่อนมันก็อ่ อ, อนลงไปมันก็น้อยลงไปอืมอย่างนี้แหละเรียก ว, ว่าสิทฐิมานะ์นี่มันเป็นธรรมอันลึกซึ้งอันละเอียดไม่ใช่น้อยนะมันต้องระงับด้วยไตร ล, ลักษณะญาณ น, นู่นไอความโกรธนี่ยังพิจารณาจเจริญเมตตาลง ม, มากเข้าไปแล้วมันก็ยังอ่อนกําลังลงได้ แต่มานาทิถีนี่มันต้องเจริญไตรลักษณ์ให้แก่กล้าขึ้นในใจจริงๆเช่นนี้มันจึงปล่อยวางความถือเขาถือเราได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้